สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสามสิบเก้าเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูบทครั้งที่สี่สิบสี่โภชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบสองข้อสิบเจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบสองโปรดฟังโภชนะของพระเจ้า เพราะอัราหัมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจท่านจึงได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่านคือบุตรที่มีพระดำหลัดไว้ว่าเขาจะสืบเชื้อสายของเจ้าทางอิสอักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตาให้ฟื้นได้ฉะนั้น กล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาเพราะอิสอักมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้แก่ยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าเพราะยาโคบมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อจะตายจึงได้โวยพรแก่บุตรทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าเหนือหัวไม้เท้าของท่านเพราะโยเซฟมีความเชื่อเมื่อกำลังจะตายจึงได้กล่าวถึงการอพยพ ของชาวอิสราเอลและสั่งเรื่องกระดูของท่านพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นถึงความเชื่อที่ได้ถ่ายทอดลงไปถึงลูกถึงหลานเริ่มตั้งแต่อบรามนะครับไปที่อิสอักหลังจากนั้นก็จะไปที่ยาโคบและเอซาวนะครับแต่ยาโคบเอซาวเราจะเห็นว่ายาโคบนั้นมีความเชื่อ เมื่อตายเมื่อจะตายจึงได้อวยพรบุตรทั้งสองของโยเซฟก็แสดงว่าส่งผ่านไปถางโยเซฟหลังจากโยเซฟแล้วนะครับก็จะไปถึงลูกหลานของเขาต่อไปพี่น้องครับการถ่ายทอดความเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อนั้นสามารถถ่ายทอดได้นะครับ ก็จริงอยู่แต่คนที่รับการถ่ายทอดนั้นจะรับหรือไม่รับก็เป็นการร่วมมือระหว่างผู้ที่ถ่ายทอดและผู้ที่รับการถ่ายทอดสัจธรรมในเช้าวันนี้เราจะเห็นนะครับเมื่ออับราฮัมนั้นถูกทดลองใจพระเงมพีได้บอกว่าท่านก็ได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาอิสอักนั้นเป็นลูกชายคนเดียวที่เกิดตามพระสัญญา และอยู่ดีๆพระเจ้าก็จะให้อับราฮัมนั้นถวายอิสอักษเป็นเครื่องบูชาซึ่งมีความหมายว่าจะต้องฆ่าอิสอักษพี่น้องครับในข้อสิบเก้าบรรยายถึงอับราฮัมนั้นเชื่อพระเจ้าว่าโปรงทรงฤทธิ์สามารถทําให้อิสอักษเป็นขึ้นมาจากความตายได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ผู้เขียนฮีบรูได้ ยืนยันนะครับยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในพระัมภีร์เดิมว่าอับประมนั้นท่านเชื่อคําตรัสของพระเจ้าท่านก็ได้ถวายบูชาอิสักนะครับพระกมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงลองใจความหมายก็คือพระองค์ทรงทดสอบท่านเพื่อดูว่าใจจริงของท่านเป็นอย่างไรคําถามก็เกิดขึ้นว่าทําไมพระเจ้าต้องลองใจด้วย แล้พระเจ้าไม่รู้ก่อนล่วงหน้าหรือว่าใครจะตกใครจะผ่านคําตอบก็คือว่าเหตุผลที่พระเจ้ารองใจนั้นพระองค์ต้องการให้เป็นการทดสอบไม่ใช่เป็นการทดลองนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้ผ่านครับและพระองค์ทรงรู้ว่าหากคนคนหนึ่งมีความเชื่อเขาจะต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับ ตลอดทั้งระกัมพีเกี่ยวกับบรรดชนหรือพ่อหมู่แห่งความเชื่อที่พระเจ้านั้นได้ทดสอบคนเหล่านั้นที่พระองค์จะใช้งานก่อนที่พระองค์จะใช้งานอย่างเต็มที่พระองค์ทดสอบครับอับราฮัมรู้ว่าตลอด25ปีที่พระเจ้าได้สงสัญญาไว้ว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งผ่านมาทางนางซาราอับราฮัมท่านยังรู้ด้วยว่าพระเจ้าได้สงสัญญาแล้วว่าบุตรชายคนนี้จะกรจายเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ง ด้วยเห็นนี้เองโดยความเชื่อของท่านท่านจึงตัดสินใจถวายอิฐอักเป็นเครื่องบูชาเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ขับพเจ้าเป็นการส่วนตัวส่วนครอบครัวนั่นหมายความว่าแท้จริงแล้วท่านไม่สามารถมีบุตรได้ท่านก็มีบุตรซาร่าเองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่สามารถมีบุตรได้แต่ซ า, าร่าก็ยังมีบุตรเพราะฉะนั้นประสบการณ์นะครับประสบการณ์หนึ่ง ก็จะนำไปถึงประสบการณ์หนึ่งที่มากขึ้นนั่นหมายความว่า Little Commitment Leads to Bigger Commitment หมายความว่าถ้าเรายอมจานนในเรื่องที่เล็กกว่าเราจะสามารถก้าวขึ้นสู่การยอมจำเนมในเรื่องที่ใหญ่กว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านบทเรียนแห่งความเชื่อที่เล็กกว่าก็จะสามารถไปถึงความเชื่อบทเรียนที่ใหญ่กว่าได้ นี่เป็นภาพที่งดงามนะครับที่สื่อให้เห็นว่าจากชีวิตของพ่อหมูของเราทําให้เรารู้ว่าเราจะมีประสบการณ์แห่งความเชื่อโดยตอบสนองด้วยการเชื่อฟังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อเราเริ่มต้นที่จะปรวบนาตัวถวายตัวนะครับให้เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนถ้าเราสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยถ้าเราผ่านการทดสอบทดลองที่มาจากพระเจ้าได้ เราก็จะสามารถรับใช้พระเจ้าในเรื่องราวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับสำหรับพี่น้องที่กำลังจะตัดสินใจรับใช้พระเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้พี่น้องที่จะกล้านะครับก้าวเข้ามาสู่การรับใช้และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์เสมอเมื่อพระองค์ทรงเรียกเมื่อพระองค์ทรงเปิดโอกาส ขอใหเราที่จะช่วยโอกาสและตอบสนองต่อการทรงเรียกี่นครับภาพของอับราฮัมทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเชื้อสายครับและการส่งต่อความเชื่อหรือการถ่ายทอดความเชื่อจะเกิดขึ้นได้จากบรรพชนแห่งความเชื่อท่านจึงถือว่าหากจําเป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสหักเป็นขึ้นในความตายได้นี่คือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อที่เขามีลูกได้นะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าเชื่อนะครับมีความหมายว่าคิดอย่างละเอียดท่วนถี่พี่น้องครับไม่ได้เป็นความเชื่อที่งมงายไม่ได้เป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่ได้ผ่านการพิจารณาไขครวนอย่างท่วนถี่ภาษาเดิมนะครับที่พูดถึงความเชื่อก็คือ l ลจิกนะครับโลจิกสมัยโลจิกสมัยเป็นภาษากรีกครับพี่น้องสังเกตนะครับมีคำว่า l o จิก ความเชื่อทํำไมเป็นโลจิกล่ะครับนี่แะครับคือความหมายของคําว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไข้ครวนนะครับโดยหลักการเหตุและผลอัรปราคหัมนั้นเชื่อในคําสัตย์ของพระเจ้าท่านจึงรู้ว่าพระเจ้าจะส่งไว้ชีวิตบุตรของท่านนะครับหรือไม่ก็ชุบชีวิตบุตรของท่านให้ขึ้นเป็นขึ้นแในความตายหากในกรณีที่จําเป็นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านวางใจในพระเจ้าครับพี่น้องพี่น้องครับในทางปฏิบัติแล้วครับอับราฮัมได้รับอิสอักคืนจากตายตลอดสามวันในการเดินทางไปยังภูเขาโมริยาท่านคงมีความเชื่อลึกๆว่าอิสอักต้องตายแน่นะครับแต่เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงอับราฮัมก็ถือว่านั่นเป็นเหมือนกับการเป็นขึ้นในความตายครับคําที่แปลว่าประหนึ่งคือคํากรีกนะครับ มาจากคำว่า parable หรือ parabole นะครับเรื่องที่ว่าอิสอักได้รับการยกเว้นไม่ต้องโดนฆ่าตายนั้นเป็นคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระู้เนเจ้าพระเยซูเจ้าของเราซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับโดยความเชื่ออิสอักได้รับการอวยพรนะครับและได้อวยพรส่งผ่านการอวยพรไปถึงยาโคบและเอสา นะครับและอิสอักในช่วงบั้นปลายของเขาได้อวยพรบุตรทั้งสองของตนนะและเชื่อว่าสัญญาที่พระเจ้าได้กจัดไว้กับท่านนะครับท่านก็สามารถส่งต่อพระพรได้แต่ครับคนเดียวที่ได้รับไม่ใช่เอสาวครับกับกลายเป็นยาโคบนะครับยาโคบเมื่อได้รับโดยความเชื่อนะครับพระเจ้าได้เลือกเขาไว้และเรียกเขาให้เขาตอบสนองชีวิตของยาโคบก็รูมรุ่มดอนดอนเหมือนกับพวกเราครับ และเมื่อจะตายก็อวยพรบุตรทั้งหลายนะครับและโดยพอ่ออย่างยิ่งบุตรชายทั้งสองของโยเซฟนะครับที่นี่ได้บอกว่าอะไรครับยาโคบสามารถอวยพรบุตรทั้งสองของโยเซฟด้วยความเชื่อในแบบเดียวกันนะครับเหมือนกับอิสอักและอับราฮัมพ่อหมู่ของเขาในข้อยี่สินะครับพระพรีบอกว่าโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟตอนแก่าตายก็ได้ส่งผ่านนะครับพระพร ไปถึงชนชาติของเขาโยเซฟนั้นเชื่อคำจัดของพระเจ้าท่านจึงกล่าวล่วงหน้าถึงการเดินทางออกจากอียิปต์ของชนชาติอิสราเอลในอนาคตอีก400ปีต่อมาพี่น้องครับเราจะเห็นความสำคัญในวันนี้หรือประเด็นต่างๆครับในเรื่องของความเชื่อแสดงออกด้วยการเชื่อฟังและสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงลูกหลานได้ ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะสร้างอนุชนยุวชนสร้างสร้างบรรพชนแห่งความเชื่อคือตัวเราและทายาทแห่งความเชื่อคือลูกหลานของเราต่อไปอามอี